3. วิปัติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบวิบัติในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่ห251ถามเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัติทั้งหลาย บรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศสีละวิบัติ 2. อาจาระวิบัติละ 5. าปาติเทศนิยกัน คำถามคำตอบวิบัติในปาติเทสนียกันละปาติเทสนียศิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน อาบัตทั้งหลายบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัตวิปัติวาระที่สามจบ